เืิก่อนได้ไปบรรยายที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งก่อนบรรยายก็เข้าห้องน้ำก็ไปพบกับพนักงานที่ทำความสะอาดห้องน้ำอยู่คุณป้าก็ก็บนนะว่าเนี่ยคนที่ใช้ห้องน้ำเนี่ยถ่ายทุกข์แล้ว่ก็ไม่กดชักโครกเลยเ ก็เป็นอย่างนี้นี่หลายคนเลยทีเดียวคุณปา้าแกก็บนนะเมื่อมันทำให้เกิดคำถามนะว่าทำไมคนที่ใช้ห้องน้ำถ่ายทุบแล้วเนี่ยทำไมก็ถึงไม่คิดที่จะ ก, กดชักโครกหรือว่าไม่หันมาดูว่าเนี่ยไอ้ที่กดไปแล้วนี่มันสะอาดไหมคิดว่า คนที่มีปัญหาเหล่านี้นี่คงจะไม่เหลือวมามองเลยด้วยซ้ำนะว่ า, าผลงานของตัวเองนี่มันเป็นอย่างไรบ้างก็น่าคิดนะว่าคนที่ใช้ห้องน้ำนี่ก็คงเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กเพราะว่ามาทำธุระในสานที่ราชการาคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรนี่ก็น่าจะอ่ นึกถึงรู้ใส่ใจผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนนะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องที่เป็นสามัญในชีวิตประจำวันแต่ถ้าถ่ายทุกแล้วนี่ไม่หันมามองว่าไอ้ที่ตัวถ่ายไปแล้วนี่ได้การได้รับการชำระไหมหรือว่า ไม่ได้คิดแม้กระทั่งจะกดชักโครกเลยเนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างนะนั่นคือการทำอะไรโดยที่ไม่คิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทาของตัวและที่เป็นเช่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนิสัยที่สั่งสมกันมา อาจจะตั้งแต่เล็กเลยก็ได้การที่คนเราทำอะไรแล้วไม่คิดถึงผลกระทบนี่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตัวนี่บางครั้งนี่มันก็ก่อความเสียหายที่ใหญ่หลวงนะยางวัยรุ่นเลือดร้อนนะจำนวนมากเลยนะที่ภายหลังเนี่ยถูกจำคุกถูกศาลตัดสินให้จำคุก ถ้าไม่ใช่ในเรือนจำก็ในสถานกักกันของเยาวชนเนี่ยอย่างบ้านกาญจนาพิเศษเนี่ยหลายคนเนี่ยถูกตัดสินจำคุกเพราะว่าไปยิงคนตายหรือว่าไปกระทำชํามเล่าผู้อื่นแล้วพอได้มีการสอบถามนะว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้หรือว่าเนี่ย ถึงที่ตัวเองทำนี่มันจะเกิดผลอะไรตามมาเช่นคนตายญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขาต้องเศร้าโศกเสียใจหรือว่าบางคนก็เป็นไหมหรือว่ากำพร้าพ่อหรือว่าผู้หญิงบางคนะที่เป็นเหยือก็เรียกว่าหมดอนาคตไปเลย เพราะว่าหมดสภาพมีความทุกข์หรือแม้กระทั่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งเป็นผู้กระทำเนว่าจะต้องถูกจำคุกอาจจะเสียอนาคตไปเลยแปลกนะหนุ่มหลายคนเนี่ยหรือวัยรุ่นหลายคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้คิดเลยมไม่เคยคิดเลยนะ ถึงผลที่จะตามมาแค่ทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือแค่ทำไปเพื่อสนองความสะใจหรือว่าเพื่อสนองนะความรู้สึกที่ดำมืดนะชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแหละไอ้ตอนทำยังไม่ได้คิดเลยนะ ว่ามันจะเกิดผลอะไรตามมาทั้งกับผู้ถูกกระทาและตัวเองซึ่งเป็นผู้กระทํามันก็น่าคิดนะว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นคนเราเนี่ยถ้าว่าได้รับการศึกษาหรือได้รับการเลี้ยงรูปอดีเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าเวลาทำอะไรเนี่ยมันต้องคิดถึงผลที่จะตามมาหรือผลที่เกิดขึ้นด้วย แต่จากเรื่องราวของคนเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งจากเหตุการณ์ที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยที่แสนจะธรรมดาสามัญแล้วก็ดาาตื่นมากเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่ามันมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ทําอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะว่าจะเกิดผลอะไรตามมาจรจรงไม่ต้องพูดถึงเหตุการณ์ที่ร้ายแรงอะไรนะ ในการที่คนเนี่ยทิ้งขยะนะตามสองข้างทางตามที่สาธารณะกินอาหารเสร็จไอภาชนะที่ใส่อาหารก็ทิ้งลงข้างทางหรือว่าทิ้ง อ, ออกนอกหน้าต่างไปเลยถ้าเกิดว่ากำลังนั่งรถ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆแล้วก็ทำกันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่แมะทังในหมหาเชลัยเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ของคนที่มีระเบียบวิ น, นัยหรือว่ามีปัญญามีมารยาเนี่ยปรากฏว่าการทิ้งขยะเรี่ยราดบนถนนในห้องเรียนในห้องน้ำ ในห้องประชุมหรือสนามหญ้านี่มันมีเห็นได้ไม่ยากเลยอันนี้มาแสดงถึงอะไรแสดงถึงการที่ทำอะไรโดยที่ไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมาโดยไม่คิดถึงผู้อื่นไม่คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสถานที่ว่ามันจะทาให้เกิดความสกปรก หรือว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไรบ้างนั่นเป็นอย่างนี้กันเยอะนะคนที่ทำอะไรเนี่ยเพื่อความสบายส่วนตัวโดยที่ไม่มีความรู้จักคิดถึงผู้อื่นหรือว่าคิดถึงผลที่จะตามมาและสุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่คิดนะ ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นที่ไปฆ่าผู้อื่นหรือไปกระทําชําเลาแล้วก็ตัวยองติดคุกเดือดร้อนเสียอนาคตแม้กระทั่งนะการใช้ชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยนะเช่นการกินการบริโภคเนี่ยกินตามใจปากกินเอาเอ า, เอาความพอใจเป็นหลัก โดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรตามมากับตัวเองเช่นความเจ็บป่วยสุขภาพที่ย่ำแย่หรือการกินเหล้าการสูบบุหรี่พวกนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามันจะเกิดผลร้ายผลเสียอย่างไรกับตัวเองแต่ว่าเอาคำนึงถึงความสุขความสบายใจเฉพาะหน้าอันนี้รวมไปถึงการเล่นการพ น, น, านันการติดเกมด้วย ซึ่งก็เป็นปัญหามากนะทำให้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแล้วเกิดเรื่องเดือดร้อนตามมาก็เหล่านี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนี่ก็เรียกว่าที่ที่ไม่คิดถึงผลกระทบตามมาไม่ว่ากับคนอื่นกับส่วนรวมหรือกับตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสนใจแต่เรื่องการสนอง ความพึงพอใจส่วนตัวหรือพูดอย่างเป็นภาษาธรรมะหน่อยคือว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยเวทนาเอาเวทนาเป็นใหญ่เวทนาในที่นี้คือสุขเวทนาถ้าคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยหรือดำเนินชีวิตโดยเอาความรู้สึกเป็นใหญ่เนี่ย มันก็จะลงเอยมาแบบนี้แหละคือว่าขอให้ได้ให้ได้เกิดความสุขเกิดความสบายใจมีความพอใจแล้วจะเกิดอะไรตามมากับคนอื่นหรือกับตัวเองก็ฉันไม่สนใจฉันปวดท้องฉันถ่ายทุกเสร็จกดชักโครกบางทีก็ลุกไปเลยโดยที่ไม่ได้กดชักโครกไม่ได้หันไม่ได้แม้แต่จะเหลียวมาดูว่า สะอาดไม่เรียบร้อยไหมก่อนที่ตัวเองจะออกจากห้องน้ำหรือว่าทิ้งขยะภาชนะต่างๆเกลื่อนกลาดเล่ล้ยล่าอันนี้เรียกว่าเอาความพอใจเป็นที่ตั้งหรือว่ากินเสพเล่น โดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเกิดผลเสียอย่างไรกับตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเอาเวทนาเอาสุขเวทนาเป็นใหญ่โดยไม่ที่จะใช้ความคิดไนะตรตรองว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรตามมาบ้างและบางทีคนเหล่านี้เนี่ยก็กมีเหตุผลง่ายๆนะซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ใช่เหตุผลเท่าไหร่ อย่างเช่นเด็กเด็กเด็กประถมเนี่ยหรือบางทีก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยในบ้านของตัวเองเนี่ยเวลาตื่นนอนขึ้นมาก็ไม่เก็บที่นอนนะไม่ได้เหลียวมาดูแล้วนะว่าที่นอนองตัวเนี่ยจะทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างไรหลังจากที่ตื่นนอนแล้วก็ทึงให้มัน เลอะเทอะอย่างนั้นหรือว่าให้มันไม่เป็นระเบียบอย่างงั้นพอผู้ใหญ่หรือพ่อแมนะ่ถามว่าทําไมไม่จัดที่นอนให้เป็นระเบียบแล้วก็อ้างเหตุผลว่าจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็เลอะใหม่เดี๋ยวมันก็ยับยุ่ยี่ใหม่แล้วจะทําไปทําไม ในเมื่อทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็ยับยู่ยี่เหมือนกันนะเวลาห้องนอนของตัวเองเนี่ยเลอะเทอะก็ไม่ได้สนใจนะพอพอ่อแม่ถามว่าทําไมไม่ทําความสะอาดห้องนอนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาก็พูดว่าเนี่ยก็ทําไปแล้วเดี๋ยวมันก็เลอะเทอะใหม่แล้วจะทําไปทำไมฟังดูก็เป็นเหตุผลนะ แต่ว่ามันเป็นเหตุผลแบบเรียกว่าตักกวิบัตนะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าคิดว่านี่คือเหตุผลจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรอาบน้ำนะอาบน้ำชำระร่างกายทำไมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เลอะใหม่เดี๋ยวมันก็เปื้อนเงื่อใหม่แล้วอาไปทำไมกินข้าวเสร็จหรือตื่นนอนขึ้นมาก็อย่าทูฟันเลยทูฟันไปทำไม เดี๋ยวมันก็เหม็นใหม่เดี๋ยวมันก็สกปรกใหม่แล้วจะถูไปทําไมหรือว่าเวลาถ่ายเสร็จแถวายอุาระเสร็จเนี่ยก็อย่าเช็ดก้นเลเช็ดทําไมเพราะเดี๋ยวก็ต้องอึอใหม่เดี๋ยวมันก็เลอะใหม่นะนะแต่เราเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครทําอย่างนั้นนะต้องอาบน้ําทุกวัน หรือว่าแปลงฟันมาล้ครั้ง2ครั้งยิ่งถ้าเช็ดกน้นยิ่งถ้าถ่ายอุจจาระเสรแล้วก็ต้องเช็ดกน้นชำระให้สะอาดไม่เห็นจะต้องวิตกเลยว่า เ, เดยมมันก็เลอะใหม่แล้วจะทําไปทำํำมาอันนี้เรียกว่าไอ้ที่ปล่อยอที่นอนเลอะเทอะหรือว่าปล่อยให้ห้องนอนตัวเองมันเลอะเทอะเนี่ย นันถ้าเป็นสถานที่่างตัวเองแท้ๆก็ไม่สนใจที่จะดูแลอันนี้เรียกว่าอยู่ด้วยความรู้สึกนะเอาความสบายเป็นหลักแต่ไม่คิดใคร่ครวนมันก็เลยทำให้เกิดนะพฤติกรรมนะ ต, ต่างๆตามตามาซึ่งกลายเป็นปัญหานะตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่ จริงๆเนี่ยจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยไม่ต้องสอนอะไรมากเนี่ยเริ่มต้นจากการที่สอนให้เขารู้จักรับผิดชอบต่อผลกระทบเอารับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองรับรู้ว่าทําอะไรแล้วมันมีผลกระทบอะไรตามมาอันนี้เป็นบทเรียนสําคัญพื้นฐานเลยนะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องรับผิดต้องตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้น และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นด้วยนะไม่ใช่ว่าทําอะไรแล้วเนี่ยผลอะไรจะเกิดขึ้นหรือตามมาฉันไม่สนใจและไม่รับผิดชอบอย่างนี้ก็เป็นเงินเยอะนะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองอเช่นไปลอกการบ้านไปโกงทุดจิลในห้องสอบถูกจับได้ แทนที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองนะเออเราทาเราทุจริตเราต้องรับผิดชอบนะยอมถูกลงโทษก็กลับนะดิ้นรนให้พ่อแม่มาช่วยให้ตัวเองพ้นผิดแล้วพ่อแม่ก็ไปช่วยด้วยนะอันนี้คือการสอนให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองมันก็ไม่มีทางที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ จริงๆการบิชอต่อการทระตัวเองเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมเนี่ยคือว่าทํากรรมอะไรเนี่ยไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีมันจะมีผลกระทบตามมาและเราก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นอย่างที่เราเสนวนาเนี่ยเรามีกรรมเป็นของตัวเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่วถ้าไม่อยากเจอพิบากที่เลวร้ายนะก็ต้องทํากรรมดี แต่ถ้าเลือกที่จะทำกรรมชั่วก็ต้องยอมรับวิบากนะที่เป็นทุกข์ตามมาเช่นการลงโทษหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไปลอกแรกยนแฉกเชิหรือจะไปให้ใครมาช่วยก็ทำไม่ได้หรือไม่สมควรผู้ใหญ่ก็ต้องสอนลูกให้หรือสอนเด็กให้มีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นพื้นฐานพอในงานเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยก็ ทำอะไรก็จะคิดถึงแต่เอาความพอใจเป็นหลักให้มันเพียงเพื่อให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเกิดความพอใจเกิดความสบายใจเกิดความสะใจส่วนผลกระทบอะไรตามมาก็ไม่สนใจอันนี้รวมไปถึงการกระทําและคําพูดนะถ้ารู้ว่าการกระทําและคําพูดเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบกับใครอย่างไร แลรู้จักใส่ใคร่ครวนไต่ตรองมันก็จะทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจไม่กระทำหรือไม่ทำสิ่งที่เราเดี๋ยวนี้เราเรียก ว, ว่ามักง่ายเนดะี๋ยวนี้เขาว่าการกระทำที่มักง่ายเนี่ยมันก็มักเกิดขึ้นจากกลางที่ไม่ได้สนใจผลกระทบหรือไม่รู้จักใคร่ครวญนะใช้แต่ความรู้สึกแล้วคนเรานะพอเอาความรู้สึกเป็นตัวนำนะความรู้สึกในที่นี้หมายถึงความรู้สึก สุขหรือทุกเนี่ยเวสุขเวยทนาหรือทุกเวยทนานี่ถึงเวลาทุกนะโดนทุกขเวยทนาบีบคั้นนะก็จะจมอยู่กับความทุกขนั่นแหละหาทางออกจากทุก์ไม่ได้ใครที่พอใจที่จะเสวยเวทนาหรือทําอะไรเพื่อความสุขเพื่อความสบายใจโดยที่ไม่คํานึงถึงผลกระทบที่ตามมาคือไม่รู้จักใช้ความคิดใคร่ครวนถึงเวลาที่เจอทุกขเวทนานะก็ จะถูกทุกขเวทนาในครอบงำบีบคั้นเรียกว่าจบอยู่ในความทุกข์แทนที่จะหาประโยชน์จากมันแทนที่จะเรียนรู้นะจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดความรู้หรือการเรียนรู้ใดๆเลยอันนี้ก็เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากนะซึ่งที่จริงก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ใช้ชีวิตโดยแสวงหาแต่สุขเวทนาทําอะไร เอาความพอใจเป็นหลักเอาความสะใจความสบายใจโดยที่ไม่ใช้ปัญญาใคร่ครวนในผลกระทบที่ตามมาพอไม่ใช้ปัญญาใคร่ครวนในยามที่แสวงหาความสุขหรือว่าเกิดความสบายใจเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่รู้อยากใช้ปัญญานในการที่จะพาจิตออกจากความทุกข์หรือแม้กระทั่งการที่จะเรียนรู้จากความทุกข์นั้น คือแทนที่จะอยู่ด้วยความรู้สึกหรือจะจมอยู่กับทุกขเวทนาเนี่ยก็รู้จักมองจนเห็นปัญญาหรือเกิดความรู้ขึ้นมาคนเราถ้าหากใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำเนี่ยมันยากที่จะเกิดความรู้นะจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าว่าไม่ใช้เวทนาหรืออยู่ด้วยความรู้สึกเนี่ยถึงเวลาเจอความทุกข์นะมันก็จะรู้จัก ใช้ปัญญาพิจารณาจนเกิดความรู้จากเหตุการณ์เหล่นั้นเช่นเจ็บป่วยแทนที่จะจมอยู่กับความเจ็บความป่วยก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าเออเนี่ยร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงนะสังขารมก็เอาแนวน้อยไม่ได้นะเกิดความรู้หรือรู้จักที่จะฟังเสียงเตือนจากร่างกายบ้างไม่ใช่ใช้มันนะเพื่อสนองความสุข จรงทั่งร่างกายเจ็บป่วยเพราะไม่ได้หลับไม่ได้พักผ่อนมันเกิดความรู้ขึ้นมาเลยจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือความสูญเสียเวลาเงินหายนะแทนที่จะเอาแต่เศร้าโศกเสียใจมันก็เมื่อใช้ความคิดพิจารณาก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าเนี่ย มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยหรื อ, อยังน้อยก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่าเนี่ยซึ่งจะเรียกเป็นความคิดนะแต่มันก็เป็นการส่งเสริมปัญญาคือให้รู้จักระมัดระวังนะไม่เผลอเลยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จากการใค ร, คร่ครวนการใคร่ควรวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะไม่ปล่อยใจให้จมอยู่กับเวทนา ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเวลามีสุขเวทนาก็ไม่ใช้ปัญญาใคร่กลวนว่าไอ้สิ่งที่เราทําสิ่งที่เร า, ส เ, ราเสพสิ่งที่เราเสวยนี่มันจะเกิดผลอะไรตามมาถึงเวลาทุกเนี่ยมันก็ยากนะที่จะมาเกิดปัญญาพิจารณาว่า เ, ออเหตุการณ์เหล่านี้มันได้สอนอะไรเรามันได้บอกอะไรเรา แต่คนที่เขานะ่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาพอเจอทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ยากมันก็จะไม่ง่ายที่จะจมอยู่กับความทุกขแล้วก็อดครวนคล่าครวนจนกระทั่งหลงหนักขึ้นแต่ว่าจะรู้จักใช้ความคิดพิจารณาไม่ใช่พิจารณาเพียงแค่ว่า เหตุแห่งทุกข์คืออะไรและจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรแต่ยังสามารถที่จะหาประโยชน์จากทุกข์หรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้ซึ่งมันง่ายทําให้เห็นธรรมะเห็นธรรมะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลางานล้มเหลวประสบปศก็ไม่โกรธนะไม่หงดเย็ดไม่ท้อแท้หรือจมอยู่กับความทุกข์ ล้วนๆนะยังมีช่องที่จะมาพิจารณาใครครวนว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะหรือบางทีเห็นธรรมหรือความรู้หรือความจริงที่จริงกว่านั้นว่าเออของมุนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยมากมายเราไม่สามารถที่จะกำหนดบังคับบัญชา ให้มันเป็นไปดังใจเราได้ อ, อันนี้ก็เริ่มขยบใกล้เข้าใกล้เข้าความจริงเข้าใจความจริงเลิอกอนัตตาแล้วอันนี้เรียกว่าเกิดความรู้เกิดปัญญาเห็นความจริงขึ้นมาจากเหตุรายที่เกิดขึ้นหรือจากความทุกข์ที่ประสบสัมผัส แล้วถึงเวลานะถึงเวลาจะมาปฏิบัติธรรมนะเออแม้มันจะมีอารมณ์ลบๆเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความฟุ้งซ่านมีความหงุดหงิดมีความรำคาญมีความโกรธเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัตินะถึงตอนนั้นก็จะรู้จักนะพิจารณาหรือเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เออใจเรามันก็ไม่เที่ยงนะรวนทั้งเรียนรู้จากความโกรธเรียนรู้จากความหงุดหงิดว่าเออมันก็ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะมันมีเหตุมีปัจจัยและมันก็สอนอะไรให้กับเราได้มากมายนะสอนให้เห็นว่าเป็นเพราะไปะยึดติดถือมั่นนะ ในตัวในตนยึดติดในตัวในกูในของกูมันจึงเกิดความโกรธมันจึงเกิดความหงุดหงิดมันจึงเกิดความคับแคลนปล่อยเมื่อไหร่นะมันก็สบายเมื่อนั้นแล้วก็ไม่ต้องปล่อยอะไรมากมายนะั้นแค่ปล่อยไอ้ความโกรธไม่ยึดในความโกรธว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็เบามันก็สบาย ไม่ว่าเหตุการณ์จะแก้ไขไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ยึดเอาความโกรธเป็นเราความโศกเป็นเราความคับแค้งใจเป็นของเราอันนี้มันเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ารู้จักใคร่ครวญเรียนรู้จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะกับกายและใจหรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเหตุร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราก็รู้จักใครค่ครวญ อันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าการที่ไม่ปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยมันไปถูกกําหนดโดยทุกขเวทนาหรือเอาเวทนาเป็นใหญ่ไม่ว่า จ, จะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาพูดง่ายคือไม่ได้อยู่ด้วยความรู้สึกแต่อยู่ด้วยความรู้และความรู้ที่เกิดขึ้นมันจะมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่ามันมีความรู้สึกตัวนะมีความทุกข์แล้วทําไม่รู้สึกตัวนี่มันก็ไม่เกิดการใคร้ครวญจนเกิดความรู้เกิดปัญญา เข้าใจความจริงให้ความรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะความรู้สึกตัวและความรู้สึกตัวเนี่ยมันช่วยทําให้ความรู้สึกนะสุขทุกเนี่ยมันไม่ครอบงำจิตใจให้เราอยู่กับความรู้สึกมามากมาบ่อยแล้วให้รู้จักอยู่กับความรู้สึกตัวดูบ้างเพราะความรู้สึกตัวนี่แหละที่มันช่วยทําให้ความรูนะ้เกิดขึ้นจาก ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรา